ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่106โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP 3แผ่นที่106ให้คติธรรมหัวข้อว่าอปิจัวิจัยยธานังปิสาธุ ทานที่บุคคลเลือกให้เป็นการดีนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการเลือกให้พระสุคตทรงรรสรรเสริญไม่ใช่ว่าได้อะไรมาแล้วก็ให้ไปเลยโดยที่ไม่เลือกให้การเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญถ้าเราได้สิ่งของมาถ้าจะให้พ่อให้แม่เราก็ต้องเลือกให้ให้ดีที่สุดในใจของเรา ในสิ่งของนั้นเราจะถวายครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเราก็ต้องเลือกให้คัดสรรซะก่อนจึงให้ท่านนี่แหละการเลือกให้พระจุคตทรงจะเสริญการเลือกให้เป็นการดีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านจะให้สิ่งของท่านผู้ใดถ้าว่าเราให้หยิบโดยจับให้ของสเสียหายให้กับเขา เมื่อเขาได้ไปแล้วเขาก็ตำหนิเราผู้ให้ได้แปบลบว่าให้แบบทรงเดชให้แบบไม่มีไม่มีไม่มีความรับผิดชอบให้แบบอย่างผู้ใหญ่ให้ผู้น้อยก็เหมือนกันถ้าให้แล้วของไม่ดีให้เขามันก็เป็นเครื่องสะเทือนใจไปนานเท่านานอย่างผู้น้อยให้ผู้ใหญ่ก็ยิ่งเสียหายมากเพราะนั้นการที่จะให้สิ่งของท่านผู้ใดต้องเลือกให้ ในหลักของพุทธศาสนาแล้พระพุทธเจ้าประสุขศงสรรเสริญปราดทั้งหลายสรรเสริญการที่จะให้สิ่งของท่านผู้ใดพวกเราตรงเลือกให้ดีที่สุดจะก่อนจึงให้ให้ใหท่านไปด้วยอํานาจคุณพภาษีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้อํานวยอวยพรให้กับพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขเย็นใจทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเทิน